ในวงของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปธุมะพุทธเจ้าในกลับนี้มีพระพุทธเจ้าสามองค์องค์ที่หนึ่งอโนมาทศีองค์ที่สองพระนามว่าปธุมะองค์ที่สามนารทะเนี่ยนะนีในกลับเดียวกันมีพระพุทธเจ้าเกิดสามองค์องค์ที่สองกล่าวว่าต่อจากสมัยของพระอโนมาทศีพุทธเจ้า วันเวลาผ่านไปช้านานเนี่ยนะก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะสัมพุทธเจ้าผู้เป็นยอดของสัตว์สองเท้าผู้ไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้ใดเปรียบหรือไม่มีผู้ใดเทียบ อ, อะไรมาเทียบละ่ะทั้งศีลของพระองค์ก็ไม่มีอะไรเสมอทั้งสมาธิของพระองค์ก็ไม่มีที่สุดทั้งพระญาณอันประเสริฐก็นับไม่ได้ทั้งวิมุตติก็ไม่มีอะไรเปรียบ ะเชื่อมชมไรศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตตเนี่ยนะซึ่งหาหาอะไรที่จะเปรียบยากเหลือเกินศีลก็ไม่รู้เอาอะไรมาเสมอสมาธิก็ไม่มีที่จบที่สิ้นที่สิ้นสุดภยานก็ไม่ประเสริฐ ก, ก็นาบไม่ได้วิมุตต์ก็สูงสุดเนี่ยนะไม่สามารถจะเอาขันทั่วไปมาเปรียบได้กล่าวถึงอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมของสาวกของพระองค์กล่าวว่า อภิสมัยอันลอยเสียซึ่งความมืดใหญ่ของพระองค์ผู้มีเดชอันช่างไม่ได้ในการปร ะ, ก า, รประกาศพระธรรมจักมีสามครั้งคือเมื่อพระองค์ประกาศอริยสัจอริยสัจมุนอริยสัจให้เป็นไปมีการตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะมีอยู่ใหญ่ๆจริงๆ3สามครั้งอภิสมัยครั้งที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงยังสัจร้อยโกรธให้ตรัสรู้อภิสมัยครั้งที่สองพระจอมปราดทรงยังสัจเก้าสบโกรธให ตรัสรุครั้งพระปฐุมะพุทธเจ้าทรงโอวาทพระโอรสของพระองค์เองเนี่ยนะคล้ายๆกับราหุโลวาทสูดเนี่ยนะอภิสมัยการตรัสรุครั้งที่3ก็ได้มีแก่สัตว์80โกธพระปฐุมะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีสาวกสันนิบาตประชุมสาวกสามครั้งครั้งที่1เป็นการประชุมสาวกแสนโกธเมื่อกถินจีวรกะถินจีวร ก, ก็คือหน้ากถิเ น, นี่ยนะ ในสมัยกรานกะถินภิกษุทั้งหลายช่วยกันเย็บจีวรเพื่อพระสารทีระพระธรรมเสนาบดีเรียกว่าเย็บไตรยเย็บจีวรให้พระอัครส า, าวกครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นผู้ไร้มนทินมีอภินยาหกมีริษมากไม่แพ้ใครจำนวนสา0แสนโกดก็ประชุมกันต่อมาอีกพระนราสภาพพระองค์นั้นเสด็จเข้าจำพรรษาณนะป่าใหญ่ครั้งนั้นก็มีการประชุมสาวกสอง 0,000 โกด สมัยนั้นเราเป็นราชสีพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยขึ้นไปขึ้นมาเอาไปเอามาเนี่ยนะสังสารวัตร น, น้อเหมงอนกันชาตินี้เกิดเป็นราชสีเจ้าแห่งมรุษสมัยนั้นเราได้เห็นพระชินะพุทธเจ้าซึ่งกําลังเพิ่มพูนความสงัดในป่าใหญ่คือพระองค์เห็นแล้วเนี่ยนะจะไปเพื่อสงเคราะห์พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นราชสีนั่นแหละเราได้ใช้เสียรกล้าวถวายบังคมพระบาท เราสั่งสมอัธยาสายมาเท่าไรสามอสงไขยแล้วนะยังเกิดเป็นราชสีเนี่ยนะจะบอกโอ้ยนั่นอ่ะสามอสงไขยขนาดกลับสุดท้ายยังเกิดเป็นปลาช่อนเลยแบบนั้นอ่ะนะเอ้าจริงนะกับนี้เป็นปลาช่อนก็เป็นกระต่ายก็เป็นมหามัชชชาดกมัชราชชาดกนะเกิดเป็นปลาช่อนแล้วก็อะไรเกิดเป็นสระบัณฑิตก็เป็นกระต่ายในชาดกอะไรนะที่เป็นนกคุ้มอ่ะนะเป็นนกคุ้มเป็นนกก็เป็น เป็นเนื้อก็เป็นเป็นลิงก็เป็นโอเป็นหลายอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นนี่กลับสุดท้ายนะขนาดเสียสงไข่แสนกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนี่ก็น่าสงสารตัวเองเหมือนกันนะถ้าไม่เห็นอริยสัตว์นี่นะโอ้ยเจริญกรุณาให้ตัวเองเยอะๆนะขอให้พ้นโศกกระปริเทวทุกขโท ม, มา น, านัตอุปาญาตอยู่เถิดต่งกันพระโพธิสัตว์ก็เป็นอะไรเป็นราชสี เสร็จแล้วก็ไปถวายบังคมพระบาทกระทำประทักศินพระองค์บรรลือสีนานาสามครั้งบำรุงพระชินเจ้าเจ็ดวันแปลว่าเป็นยามเลยนะพระพุทธเจ้าเข้าสมาบัติใช่ไหมพระาชสศีตัวนี้เนี่ยนะเป็นคนคอยดูแลพระพุทธเจ้าใครยามไยุ่งมาฮนะบูชาเนี่ยนะเป็นยามถวายเนี่ยนะคือพระโพธิสัตว์จริงๆแล้วพระองค์อยู่ในกำเนิดใดพระองค์ก็สร้างบารมีได้แต่ว่าการจะสร้างบารมีให้เต็มที่ก็ เป็นมนุษย์นี่แหละจึงจะสร้างได้อย่างเต็มที่เนี่ยนะแม้กระทั่งพระองค์เกิดเป็นราชสีก็สร้างบารมีด้วยการทำพุทธบูชาวันที่เจ็ดพระตถ า, าคตออกจากนิโรธสมาบัติทรงพระดำริด้วยพระหฤทยัยก็ทรงนำภิกษุมานับแสนโกรธแม้ครั้งนั้นพระมหาวีระก็พยากรณ์เราท่ามกลางภิกษุเหล่านั้นว่าผู้นี้ราชสีผู้นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าในกัปที่หาประมาณไม่ได้ นับแต่กับนี้ไปท่านก็จะเป็นพระตถ า, าคตผู้เสด็จมาเช่นกับพระพุทธเจ้าในอดีตผู้จะเสด็จไปเช่นกับพระพุทธเจ้าในอดีตจะออกมหาพิเนสกรมจากกรุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมตั้งความเพียรทมทุกระกิริยาพระตถ า, าคตประทับนั่งณนโะคนต้นอชาปาลนิคโครธสรงรับข้าวมาทุ ป, ปายาสนะที่นั้นแล้วก็เข้าไปยัง แม่น้ำเนรัญชราพระชินพะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุปายาตน่าริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จไปตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้แล้วเข้าไปที่โคนต้นโพพฤกเนี่ยนะก็คือต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้จากนั้นพระผู้มียศใหญ่ก็กระทําประทักษิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรูนะ้นโคนโพพฤกชิวต้นอสัต t ะ เอกไม่นานนี้โรงเรือนก็จะไปประทักศิลแล้วเนี่ยนั่งเรื่องนะจะไปทําพุทธบูชาแล้วเนี่ยที่โคนที่ว่านี่แล้แถวนั้นแหละโพธิบัลลังก์เนี่ยนั่งเรื่องเนาะพระองค์ก็พยากรพยาราชสีนั้นว่าท่านผู้นี้จะมีพระชนนีพระนามว่าพระนางมายาจะมีพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุโธธนะท่านผู้นี้จะมีพระนามตามโคตว่าโคตมะจกมีอัครสาวกชื่อว่าพระโกริตะพระ อัครสาวกข้างขวาชื่อว่าอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพุทธาอุปถากชื่อว่าพระอานันท์จักบำรงพระชินพะพุทธเจ้าผู้นี้จักมีพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลว น, นาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่น โพลึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัต t ะอัคระอุปถาชื่อว่าจิตตะและหัตถะอลวะกะอัคระอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตราพระโคดมผู้มีพระยสมีพระชนมายุร้อยปี แถวนั้นก็มีเทวดามายุ่มเยอะเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฟังพระดำรันนี้ของพระปฐุมพูทธเจ้าที่ไม่มีผู้เสมอผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็พากันปลาบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธทางกูลหมื่นโลกาาธาตุพร้อมทั้งเทวโลกก็พากันโ ห, รรโหร่ร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญชลีนมัสการแล้วก็กล่าวว่า ถ้าหากว่าพวกเราพลาดคําสอนของพระโลกกนาพระองค์นี้ไซในอนาคตพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าของท่านผู้นี้เปรียบเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อข้ามแม่น้ําพลาดท่าน้ําข้างหน้าก็ถือเอาท่าน้ําข้างหลังข้ามแม่น้ําใหญ่ฉันใดพวกเราทั้งหมดถ้าหากว่าผ่านพ้นพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นี้ไซในอนาคตการพวกเราจับอยู่ต่อหน้าของท่านผู้นี้ฉะนั้นเหมือนกัน เราฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วก็ยิ่งเลื่อมใสจึงอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดขึ้นไปบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์เนี่ยนะราชสีนี่ก็รู้อะไรเยอะเนี่ยนะร่างกายเป็นราชสีก็จริงแต่จิตใจเป็นผู้สแสวงหาโพธิญาณเนี่ยนะร่างกายจะอยู่เป็นอย่างอื่นแต่ใจก็มุ่งตรงต่อสัพพัญญุตญาณพูดถึงประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะพุทธเจ้าว่า ผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นเนี่ยนะทรงมีพนครที่เมืองเกิดชื่อว่าจำปะกะพระชนกนามว่าพระเจ้าอัศมะพระชนนีพระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางอัศมาหญิงผู้ไม่มีผู้ใดเสมอเนี่ยนะพระองค์ครองคารวะวิสัยอยู่ประมาณหมื่นปีมีปราศาทชั้นเยี่ยมอยู่สามหลังชื่อวานันทะวะสุและยะสัสตระมีสนมนารีที่แต่งกายงามสาม หมื่นสามพันนางมีอัครามเมหสีพระนาวา่าพระนางอุตราพระโอรสนามวา่ารัมมะน่าเรื่นรมเนี่ยน ะ, นะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเห็นนิมิตศีเสด็จออกอภินศสกรมด้วยยานคือรถตั้งความเพียรแปดเดือนเต็มจึงตรัสรู้เนี่ยน ะ, นะพระมหาวีระประทุมะพุทธเจ้าผู้นำโลกผู้สงบอันเทา้ามหาพรมาราธนาแล้วประกาศพระธรรมจกนะักณทนานชัยราชุทยานอันสูงสุด พระปทุมะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระอัคารสาวกชื่อว่าสาร ะ, ะและอุปสาระมีพระพุทธอุปถาชื่อว่าวรุณะมีอัคารสาวิกาชื่อว่าพระราธาและพระสุราธาโพลึกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมะพระองค์นั้นเรียกว่าต้นมหาโสนกระกไม้ไม้ไมอ้อยช้างใหญ่นี่นะไม้อ้อยช้างใหญ่ เป็นต้นใหญ่พันใหญ่อะอักขระอุปถาชื่อว่าสพยะและอสมะมีอักขระอุปถายิก่าชื่อว่ารุจิและนันทิระมามาราพระมหามุนีสูง58ศอกรัศมีของพระองค์ไม่มีอะไรเสมอเล่นไปทุกทิศเนี่ยนะเล่นออกจากพระรากายทุกทิศแสงจันท์แส ง, แสงอาทิตย์แสงรัตนะแสงไฟและแสงมณีเหล่านั้นพอถึงพระรัศมีของพระจินเจ้าอันสูงสุด ก็ถูกกำจัดไปสิ้นหมายคำว่ามไม่มีแสงอย่างอื่นจะมากลบแสงหรือพระพุทธรังสีหรือพุทธรัศมีของพระองค์ในยุคนั้นมนุษย์มีอายุแสนปีพระองค์มีพระชนยืนถึงเพียงนั้นก็ทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอฆสองสารพระปฐุมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทั้งพระสาวกยังเวนยศัตว์ผู้มีอินทรีย์แก ล, กล้าแล้วให้ตรัสรู้โดยไม่เหลือเลยเนนะ ผู้ที่อยู่ในวิสัยแห่งพุทธเวในา ส, สาวกเวหนเป็นต้นก็มีการช่วยเหลือพันส่วนที่เหลือพระองค์ก็ช่วยกันพร่ำสอนหลังจากนั้นก็เสด็จดับขันปรินิพานพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกละสังขารทุกอย่างเหมือนงูลอกคราบงูที่ลอกคราบไปโดยไม่อะไรฉันใดเหมือนต้นไม้สลัดใบเก่าแล้วก็ดับขันปรินิพานเหมือนดวงไฟดับฉะนั้น พระปทุมศาสดาพระชินะผู้ประเสริฐ ด, ดับขันทปรินิพานณพระวิหารธรรมารามพระบรมสารีริกธาตุก็แผ่กระจายไปเป็นส่วนส่ว น, วนณประเทศนั้นๆเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าพระธาตุกระจายใช่ไหมเมื่อพระธาตุกระจายเนี่ยการสร้างเจดีย์ก็กระจัดกระจายไปตามนั้นเนี่ยนะจึงไม่ได้มีเจดีย์ใหญ่จริงๆ อธิบายตามอัตถกถามทุรัฐวิลาสีอัตถกถาพุทธวงศ์กล่าวว่าต่อจากสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนมัติีมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุแสนปีก็ลดลงลดลงตามลำดับจนอายุสิบปีพอถึงยุคมนุษย์อายุสิบปีเกิดมิขสัญยีขึ้นมนนะมีสัตว์ันตรกับเป็นต้นเนี่ยนะก็มีการแข่งข่าล้างพลานกันในที่สุด ก็เริ่มมามีศีลมีธรรมอายุเพิ่มขึ้นตามลําดับจนถึงอายุอสงไขยปีแล้วก็ลดลงมาเหลือแสนปีแปลว่าขึ้นสูงเลีว้วแล้วก็ลงต่ำเนี่ย น, นะเหลือช่วงแสนปีครั้งนั้นพระศ า, ศาสดาพระนามว่าปทุมะทรงอุบัติขึ้นในโลกคือการเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจากองค์หนึ่งสูง่องค์หนึ่ ง, ง, งไม่ใช่ผู้ศาสนาขององค์หนึ่งหมดแล้วองค์หนึ่งงอกขึ้นไม่ได้แปลแบบนั้นนะไม่เหมือนการสืบพันสายพันในลักษณะนั้น กรโนและนัห่างกันมากแม้ศาสดาพระองค์นั้นก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุเตจากดุสิตก็ถือปฏิสนธิในพระขันของพระนางอัสมาผู้ไม่มีผู้เสมอด้วยพระรูปเป็นต้นจะเปรียบเรื่องรูปงามก็ไม่มีใครเสมอพระนางเน่นะเป็นต้นชาติตระกูลสูงเป็นต้นนั่นเองอัครมเมหสีในราชาสกุลของพระเจ้าอัสมราชกรุงจำปะ ครบกำหนดทศมาส10เดือนแล้วพระองค์ก็ประสูติจากพระคันของพระชนนีณนะกรุงจำปะกะราจุทยานเมื่อพระกุมารสมพบฝนปฐุมะฝนดอกบัวก็หล่นจากอากาศตกลงที่ท้ายมหาสมุทรทั่วชมพูทวีปเร้กว่าฝนดอกบัวก็ตกลงมาแสดงว่ า, าดีตชาติพระองค์ทำบุญด้วยดอกบัวมากเลยนะด้วยเหตุนั้นในวันขนานพระนามพระกุมาร น, นั้นพวกโหนและเหล่าพระประยุรญาต จึงขนานพระนามพระองค์ว่ามหาปทุมกุมารพระองค์ทรงครองคารวาสวิสัยอยู่ประมาณหมื่นปีพระองค์มีปราสาทสามหลังชื่อว่านันทุตระวะสุตระและยะสุตระเนี่ยนะปรากฏสนมนารีประมาณสาม่นสาพันนางมีพระนางอุตราเทวีเป็นประมุข ค, ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อรัมมราชกุมารโอรสเนี่ยนะ โอรสของพนางอุตรามหาเทวีสมภพรงก็เห็นในมิตรสีเสด็จออกอภินีสกรมด้วยรถยานเทียมมารถเทียมมาบุรุษโกรธน่งก็บวชตามเสด็จพระโพธิสัตว์ซึ่งพนวดอยู่นั้นพระโพธิสัตว์อันบุรุษเหล่านั้นแวดล้อมแล้วบำเพ็ญเพียรอยู่แปดเดือนในวันวิสาขบรมีสเสวยข้าวมาทุ ป, ปายซึ่งพนางธัญญวดีทิดาของสุธัญญะเศรษฐีกรุงธัญญวดีถายแล้ว พระองค์ก็ยับยั้งภักกลางวันนะมหาสารวันตอนเย็นก็รับหญ้าแปดการรมที่ติดกะอาชีวกถวายเสด็จเข้าไปยังโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่ามหาโสนะไม้อ้อยช้างใหญ่พระองค์ล่าสันทัดหญ้า ก, กว้างได้สามสิบแปดสอบประทับนั่งคัดสมาธิ มีความ อ, อ, วาอธิษฐานความเพียรอันประกอบไป ด, ด้วยองค์สี่ทรงกำจัดกองกำลังแห่งมารทรงทำให้แจ้งวิชาสามในยามทั้งสามแล้วก็เปล่งอุทานว่าอนเนกชาติสังสารังเป็นต้นพระองค์ก็ยับยั้งอยู่ใกล้โพพฤกษจัดสัปดาหทรงรับอาราธนาเท้ามหาพรหมทรงตรวจดูบุคคลซึ่งเป็นภาชนะรองรับพระธรรมเทศนา พระองค์เห็นภิกษุจำนวนโกธซึ่งบวชกับพระองค์ในทันใดก็เสด็จไปทางอากาศลงณนะทนานชัยราชอุทยานใกล้กรุงธัญบวดีอันภิกษุเหล่านั้นแวดล้อมทรงประกาศท่าธรรมจากรท่ามกลางภิกษุเหล่านั้นครั้งนั้นอภิสมัยได้มีแก่สัตว์ร้อยโกธซึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสให้พระสารีบุตรฟังเป็นคาถาในพุทธวโ์ว่า ต่อจากสมัยพระอโนโุมัตสีพุทธเจ้าพระสัมพุทธเจ้าพระนามวัปทุมเป็นยอดของสัตว์สองเท้าไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เทียบทั้งศีลของพระองค์ก็ไม่มีอะไรเสมอทั้งสมาธิก็ไม่มีที่สุดทั้งพระยานก็ประเสริฐก็นับไม่ได้ทั้งวีมุติก็ไม่มีอะไรเปรียบในการประกาศพระธรรมจักรของพระองค์ผู้มีเดชที่ช่างไม่ได้อภิสมัยการตรัสรู้เป็นเครื่อง ลอยความมืดใหญ่มีสามครั้งกะตะกอนลอยอวิชโชคะลอยอวิชาความมืดบอดความมืดมนอนทการไม่รู้อดีตอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุบาตไม่รู้ทุกไม่รู้ทุกขสมุทัยไม่รู้ทุกขนิโรธไม่รู้ ท, รทุกขานิโรทคามิเนปฏิปทาการประกาศธรรมะของพระองค์นั้นจึงมีผู้ตรัสรู้เนี่ยนะโดยเฉพาะการตรัสรู้อย่างยิ่งใหญ่มีประมาณสมครั้ง อธิบายเพิ่มเติมที่บอกว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ด้วยศีลเนี่ยอสมังศีหลังเนี่ยนะไม่มีความเสมอเหมือนศีลสำหรับผู้อื่นคือไม่มีผู้ใดไปเปรียบเรื่องศีลกับพระพุทธเจ้าเพราะศีลของพระองค์นั้นสูงสุดประเสริฐที่สุดสมาธิปิอนันตะโกทั้งสมาธิก็หาประมาณไม่ได้ความที่สมาธินั้นไม่มีที่สุดเพิงเห็นไนยะมะกะปาติหารเปิดโลกเป็นต้น ตอนที่พระองค์แสดงย ม, มกะปาติหารเนี่ยนะสมัยนั้นนี่ถ้าไม่มีสมาธิระดับนั้นเนี่ยจเจริญย ม, มกะปาฏิหารขนาดนั้นไม่ได้และตอนที่สมัยที่พระองค์ลงจากเทวโลกและเปิดโลกให้ให้สัตว์เนี่ยนะมองเห็นมนุษย์เห็นนรกเห็นเทวดาเป็นต้นบทว่ายาณวรังพระสัพพัญยุตยานของพระองค์เนี่ยประเสรศิฐเนี่ยนะประเสรศิฐ แล้วก็นับไม่ได้ด้วยไ ม, ไม่ไม่อะไรจะเปรียบเทียบเปรียบนับได้หรืออาสาธารณญาญญาณที่ไม่สาวกแกไม่สาธารณะแก่สาวกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอะไรมัง่งอาสยานุสยาญานอินทรียะโปรปริยติญาญญาณที่ยังรู้อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายญาณที่รู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรียทั้งหลายอาสยานุสยาญานและอินทรียะโปรปริยัติญาณเป็นชื่อของพุทธจักสุข ดวงตาของพระพุทธเจ้าเอาไว้สัมรวจตรวจตราผู้ที่มีบุญวาสนาอุปนิสัยอัธยาศัยพอที่จะตรัสรู้ได้แล้วพระองค์ก็ยังมียมกะปาฏิหาริยายานแสดงยมกะปาติหารเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็พระองค์มีมหาการุณาสมาบัติยานที่แผ่มหากรุณาสมาบัติหาในายะที่สุดไม่ได้ยามเช้ายามบ่าย แลพระองค์ก็มีสัพพัญยุตยานมีอารณาวารณญาณอย่างรู้อดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งสังคตะอสังคตะโดยไม่มีส่วนเหลือโดยมีอ า, าณาวรณญาณญาณที่ไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรขวางกัน้นเรียกว่าพระองค์นั้นมีญาณที่ประเสริฐสูงสุดแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุด